ทรงประชุมสงฆ์บัญญัติสิกขาบทลำดับนั้นพระผู้มีพระภาครับสั่งให้ประชุมสงฆ์เพราะเรื่องนี้เป็นต้นเหตุทรงสอบถามภิกษุทั้งหลายว่าภิกษุทั้งหลายทราบว่าพวกภิกษณีชาวพักีสงสนานด้วยของหอมและเครื่องย้อมผิวจริงหรือภิกษุทั้งหลายทนรับว่าจริงพระพุทธ เ, เจ้าข้าพระผู้มีพระภาคพุทธเจ้าทรงตำหนีว่าฉนัพวกภิกษณีชพกี